ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่แปดเมษายน2554มีชื่อเรื่องว่าเนนสอนพระจุมปัดของสง มันใช่สมบัติของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อไม่ใช่สมบัติของพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นสมบัติของกลางเป็นสมบัติของสูงภิกษุเอาเตียงตัง้งโโฟเขา่าี้ไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นไม่เก็บเองก็ดีไม่ให้ไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายให้แก่ผู้อื่นเก็บแทนตนก็ดีต้องปาจิตติ อันนี้คือพระวินัยชัดเจนอยู่แล้วพิกจุ อ, ออกจากกุฏิไม่เก็บเองก็ดีไม่มอบหมใหม้ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิติเสนาสนะเวลาเราจะออกไปแล้วก็มอบโดยเก็บดูช่วยดูเสนาสนะโดยนะสิ่งไหนที่ไม่เรียบร้อยให้เก็บให้ด้วยอันนี้ก็คือความมอบหมายในพระวินัยเพราะนั้น ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเป็นศินของพระพราะนั้นพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดไปวัดไหนก็ตามแต่ไปพักวัดของท่านแล้วก่อนที่เราจะออกมาเราต้องเก็บของในวัดในเจตนารมณ์ให้เรียบร้อยทุกอย่างอย่าให้เป็นปัญหาของคนอื่นเขาทางนี้ทางนั้นไม่ใช่จะนวกะณ์นะมันไม่ใช่นาวากาชุดนี้นะพระพวกเราทุกอง น, ะนั่งอยู่ที่นี่นะ ไปณสถานที่ใดไปวัดของท่านเวลาเราออกจากกุฏิของท่านเราไปพักแรมคืนหนึ่งเวลาจะออกไปถ้าเป็นไปได้จะต้องมอบเสนาสนะกับคืนเออผมขอมอบเสนาสนะกับคืนนะครับถ้ามีอะไรยังไม่เรียบร้อยกขอในมนเก็บให้เรียบร้อยให้ผมด้วยอันนี้คือการมอบเสนาสนะให้แก่เจ้าของเดิมเพราะว่าวัด แต่แเสนาสนะไม่ใช่ของของใครเป็นของกลางนะว่าเป็นของสงท่านดูที่นั่นท่านก็เป็นพระสงฆ์ท่านก็ดูเสนาสนะไม่ใช่ของท่านอกีกเราไปพึ่งพาอาศัยก็ไม่ใช่ของเราแต่เมื่อเราไปใช้แล้วเราก็ต้องมอบคืนให้ท่านดูแลรักษาต่อเพะพราะท่านอยู่ที่นั่นอันนี้คือพ่อวินัยของพระพุทธทเจา้าเพวัะนั้นเราจะนีเราจะไปสนานาสถานที่ใด ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพราะสินสองรอยี่สิบเจ็ดนี่ยที่ผมพูดนั่คือสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพระนี่ยนะไม่ใช่อื่นไกลเป็นกฎ ร, ระเบียบเป็นกฎเป็นระเบียบในการไปการอยู่ของพระสงฆ์เนื่อยการบวชของพวกเราในคราวนี้มันนไม่ใช่การบวชแบบธรรมดา เราต้องคิดแล้วคิดอีกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งวงสาขนาญาติก่อนที่เราจะบวชแต่เราเมื่อเราได้บวชแล้วก็ได้ริมรถหรือว่าได้คลองผ้ากาสาวพัดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในชั่วระยะหนึ่งเดือนกว่ากว่าแต่การสัมผัสในการบวชของพวกเรา ในคราวนี้มันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งในการดารงชีวิตของพวกเราชีวิตเป็นพระเนี่ยมันจะให้เหมือนชีวิตคารวาสไม่ได้เพราะมันมีกฎระเบีย บ, ฎยบฎยกฎเกณฑ์อีกอันหนึ่งกฎเกณฑ์ น, นี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของหลวงพ่อไม่ใช่กฎเกณฑ์ของพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธรรมคําสอนพวินัยของพระพุทธเจ้าพวกเราอยู่ในกฎระเบียบของหลักพระธรรมวินัยเราจะไปตำหนิใครไม่ได้เพราะเรายอมปฏิบัติตามทำคําสอนครูบาอาจารย์ทุกองค์นับแต่ผมลงไปผมก็ต้องปฏิบัติตามหลักธทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างไร เราก็ปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือศีลส่วนแนวความคิดนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักก่อนที่จะไปถึงจุดความประสงค์ตระหาความแนวความคิดของพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องไปเพราะการเป็ น, ปนอยู่ ต้องรวมกลุ่มรวมรวมคณะต้องมีพักมีพวกต้องอยู่ด้วยกันหลายองค์จะต้องอยู่ในกฎระเบียบพระวิ น, นัยเพราะว่าเราจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายตามลําพังไม่ได้ถ้าเมื่อเราอยู่ในกฎระเบียบตั้งแต่สององค์ขึ้นไปจนถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์เราก็ต้องมีพระวินัย มีกฎระเบียบต้องมีอายุพรรษาเราจะอยู่อย่างไรอย่างเจนาชนะเราจะอยู่หลังไหนก็ต้องเป็นพระที่บวชเก่าที่มีอายุพรรษาเป็นผู้อยู่ก่อนเป็นผู้เลือกให้อันนี้เป็นต้นเว้นเสียแต่พระที่มีอายุพรรษาเป็นผู้เสียสละหมอะภัยองค์ไหนก็ได้นี่อันนี้คือ ถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมวินัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากศิลของพระสงฆ์227ข้อนั่นก็ยังมีศินอภิสมาจาร์อีกศินอภิสมาจาร์คือศินนอกพระปฏิโมกศิลพระปฏิโมก็คือสินที่พวกเราสวดเป็นข้อข้อในวันอุโบสถเรียกว่าศิลพระปฏิโมกศิลอภิสมาจาร์คือศิลนอกพระปฏิโมกแต่สินนอกพระปฏิโมกนั้นสําคัญอย่างไร ทำไมจึงมีศีล น, นอกพระปฏิโมกย์ยกประเด็นให้ฟังอเป็นเพียงไม่ไม่กี่สิกขาบทสําสคัญไม่แพ้กันแต่ถ้าว่าจะสวดเนี่ยคงจะสวดทั้งวันทั้งคืนก็คงจะไม่จบมันยาวฮะความจําของเราก็มีขีดจํากัดอีกต่างหากเพราะนั้นท่านจึงให้สวดแต่เพียงแค่นั้นเป็นหลักใหญ่แต่หลักย่อยอที่จะยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างให้ฟังะ ก็ว่าพิกษุห้ามไว้เล็บยาวถ้าใครไว้เล็บยาวปรับอวัตทุกฎห้ามไว้หนวดยาวถ้าใครน้อยบวชยาวจนแต่งหนวดได้ป ร, ป, รปรับอวัตทุกฎห้ามไว้ขนจมูกยาวห้ามไว้ผมยาวอย่างนี้เป็นต้นอืม แล้วก็ต้องชำระกายต้องอาบน้ําต้องซักผ้าอย่างนี้เป็นต้นดูดูแล้วมีมีมีมากเกี่ยวกับสินอิสมาจารแต่ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญอย่างมากท้าวพระไว้ผมยาวแล้วเป็นยังไงเออไว้เล็บยาวเป็นยังไงล้วนแล้วจะไม่น่าดูทั้งนั้น ไว้หนวดยาวไว้ขาาวยาวนี้เพราะนั้นเรื่องพระวินยัยอภิสษษมาจาร์ท่านดูแล้วไม่แพ้กันฉิลพระปฏิโมกสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ให้อยู่ด้วยกันให้มีกฎรกะเบียดคำว่าผมยาวๆขนาดไหนท่านก็บอกอีกว่าไม่ให้เกินสององคุลีสององคุลีคือคือสองข้อนิ้วมือไม่ให้ยาว ถ้าหากว่ายาวกว่านั้นจะหวีได้ตกแต่งผมได้ท่านไม่ให้ยาวไม่ให้เกินนั้นแต่ถ้าว่ามันไม่ไม่มีผมเฉลยมันไม่ยาวไม่ต้องปงก็ได้เพราะผมไม่ยาวแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงหนึ่งเดือนถ้าไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่มันยาวก็ต้องปงเามันยาวกว่าสององค์กรี่ ถ้าไม่ถึงไม่ต้องปงก็ได้ไม่เป็นอบัติแต่ทีนี้เราก็พวกเราก็ถึงเดือนมาเราก็ต้องปงซะให้มันจบจบไปดูๆแล้วก็ประมาณสักไม่ถึงข้อมื อ, อต่างหากยังสั้นอยู่อันนี้เราก็ปงให้มันจบไปเพื่อไม่ให้มีปัญหาให้อยู่ในกฎระเบียบเดียวกันถึงตึก ถ, ถึงเดือนมันก็ปงซะทุกครั้ง อันนี้แหะคือพอวินยัยคือพวกเราได้รักษาคือศีลศีลและวินยัยนอันนี้คือธรรมเต็ธรรมและวินยัยธรรมในละเอียดกว่าวินยัยวินัยเนี่ยคือเป็นส่วนหยาบรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้เรียกว่าวินยัยส่วนธรรมคือรักษาใจ รักษาใจคือรักษาความนึกคิดจะรักษายัางไงคือความนึกคิดถ้าเรานึกคิดไปในทางที่มีถูกแต้อ ง, องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้ารักษาใจของตัวเองให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามหลักพระธรรมวินัยตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพระพุทธเจ้าท่านเคยเดินมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างไร ท่านก็สอนแนะนําเอาไว้เราปฏิบัติตามนั้นไปตามแนวแถวนั้นอันนี้เราสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราเดินผิดที่ผิดทางไม่ไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเดินผิดที่ผิดทางไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่ถูกต้องตามธรรมธรรมตัวนี้แหละ ทาคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้มีหลายระดับนะระดับพื้นพื้ น, นคืออยู่ในอยู่ด้วยกันแนวความคิดของพวกเราไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นจิตใจอยู่ในทํานองครองธรรมจิตใจอยู่ในหลักเหตุผลอันนี้ประวั ขั้นพื้นฐานต่อไปเร า, าพยายามทำจิตใจของเราให้สงบเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระหันอันนี้คือถึงที่ถึงที่สุดคือจบเป็นพระอเศขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วเพรา ะ, ะนั้นเราบางคนเ็าบอกว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไป มันมีมีมากลากหลายถ้าอย่างว่าอย่างที่ผมพูดผมว่าที่หลวงพ่อเนี่นะไม่ได้เรียนจบป .4 อ, อย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้เรียนปริญญาตรีโทเอกแต่หลวงพ่อเข้ามาศึกษาแต่จุดเนี้ยจุดที่เข้ามาศึกษาจุดนีนะ้ถ้าเราไม่พูดอือ ก็พวกเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เรียนจริงๆแต่ถ้าเราโพดเหมือนกับลักษณะเราขี้อวดอวดอ้างตัวเองไม่ได้เรียนก็เห็นว่าเอามาอวดอ้างให้ให้กลุ่มคนทั้งหลายว่าเป็นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วการเรียนการศึกษาทางโลกเนี่ยจะจบขั้นระดับไหนก็เถอะท่านไม่ถือว่า จบเพราะเหตุไรเพราะว่าการเรียนการศึกษานั้นยังเรียนอยู่ในวะตะัตฏะมันยังวกุณเวีย น, นอยู่ในกิเลสกิเลสเป็นผู้บัญชาการกิเลสโลภโกรดหลงเป็นผู้บัญชาการแต่ถ้าว่าเรียนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเข้ามาหาใจมาหาตัวผู้รู้ความนึกคิดของตัวเองขณะนี้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไร ไปทางโลภไปทางโกรธและไปทางหลงไปรังราคะโทสะโมหะหรือไม่ถ้าเรารู้เรารู้แจ้งเห็นจริงถอดถอนกิเลสภายในใจของเรากิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วปล่อยวางหมดแล้วท่านเรียกว่าพระอเศขารู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วจบหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านไม่ได้จบที่ไหนจบที่ใจของท่านดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจจบที่ใจแปลว่าเป็นพระอเสขะแต่ถ้าว่าพวกที่ยังเรียนพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เรียนศึกษาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่ายังยังเป็นพระเสขะยังเป็นพระเสขะ ยังเป็นพูดยังยังเป็นพูดยังศึกษาอยู่แปลว่ายังไม่จบถึงจะจบพระตไตรปิฎกก็เถอะแต่ยังไม่จบทางด้านจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าว่ายังไม่จบถ้าผู้ใดเรียนจบใจของตนเองแล้วนั่นแหละเป็นอเศษขาจบแล้วผู้ไปมาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วเป็นอเศษขาแล้วผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยแห ล, ละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ความสําคัญเรื่องของใจ วิถีทางกิจเนี่ยทางใจทางผู้รูน้นี่มากกว่ามากกว่าอย่างอย่างอื่นแต่เพราะในครั้งพุทธการท่านเรียนจบพระไตรปิฎกเพราะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นพระใบลานเปล่าพระใบลานเปล่าใบลานไม่มีหนังสือใบลานเปล่าผู้เปล่าเปล่าประโยชน์ จนถึงให้ทําให้พระเถระท่านนั้นมีความละอายใจอท่านทั้ทงที่ท่านก็สอนลูกศิษย์ทั้งพระทั้งห้าร้อยองค์แนะนําสั่งสอนเป็นคณาจารย์ใหญ่พระพุโองเวลามากราบพระพุโองพระองค์บอกว่าเป็นไงโปธิรัตท่านไบลานเปล่าอท่านจะไปแล้วเหนอโปธิรัตท่านมาจากที่ไหนโปธิรัตน่ คือนำหน้าอาโพธิรัตนำหน้าโพธิลัตคือใบใบลานเปล่าท่านใบาลานเปล่าท่านอู้ใช่เราก็เปล่าจริงๆเราจะไม่ได้มรรคได้ผลมีแต่การเรียนการศึกษาของเราเราเรียนจบพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธวจนะอย่างไรเราเรียนรอบรู้ทั้งหมดแต่ใจของเราในะยังมีกิเลส ราคาโทสะโมหะอยู่ยังไม่จบจะทำยังไงเราควรจะปลีกตัวออกจากทุกสิธิ์ทุกหาชุมชนเข้าไปหาภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามลำพังนี่แหละท่านโปุิรธ ท, ท่านคิดได้อย่างนั้นจากนั้นท่านก็หลบหนีออกไปไปเข้าไปป่าดวงพงไพไปห่างไกล แต่ถึงยังไงถึงท่านจะไปที่ไหนก็ตามใครๆก็รู้ว่านี่คือท่านพระเถระโปธิล์ผู้มีชื่อเสียงอยู่ในสำนักของพระพทุทธเจ้าท่านก็ไปในป่าดงไปเห็นพระภิกษุสามสิบวารูปอยู่ด้วยกันตั้งแต่หัวหน้าจนถึงเนนองค์สุดท้ายเนนองค์นั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์อีกผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณ อยู่ด้วยกันตั้งแต่พระเถระจนถึงพระองค์สุดท้ายท่านก็พระโพธิราชเนี่ยเข้าไปกราบพระเถระที่เป็นมีอายุมีอายุพรรษาอาุโสท่านอาจารย์ครับผมมาคราวนี้ผมมาเพื่อการศึกษาผมมาเพื่ออยากจะให้ท่านอาจารย์สอนวิธีการปฏิบัติให้ผมด้วยผมมาจะมาฟัง ครูบาอาจารย์ขอแนะนําให้ผมทางผลทางชี้ทางให้ผมด้วยท่านพระเทรสก็บอกอาจารย์ก็เป็นผู้แตกฉันในพระไตรปิฎกจบในพระไตรปิฎกแล้วจะมาให้ผมแนะนําสั่งสอนอย่างไรแต่พท่านกร็รู้นี่อยู่ในสํานักพระพุทธเจ้าแต่พระโปธิลัตสเนี่ยก็บอกว่าใช่ผมจบพระไตรปิฎกก็จริงอยู่ มีเครื่องไม้เครื่องมือบริบูรณ์แต่ไม่รู้จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนมาแก้กิเลสภายในใจของผมผมยังมีกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่ยังไม่จบไม่สิน้นเพราะนั้นผมจึงมาสะอแสวงหาครูบาอาจารย์แนะแนวว่าจะทำยังไงจึงจะชำระใจให้บริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลเป็นอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆจะทำยังไง พระเถระท่านก็มีญาณทัศนะท่านว่าเออพระอาจารย์โปธิรัตน์เนี่ยไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนนะท่านรู้เน่ยท่านอ่านอ่านทรุปปูปูงดเพราะว่าท่านมียาณทัศนะเนี่ท่านก็ย้อนไปหาองค์ที่สองอีกไปไปหาองค์ที่สองนะนี่ท่านเป็นผู้แตกฉานในการแนะนําสั่งสอน เป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวไปถามนะไปทางศึกษากับท่านนะคล้ายๆก็ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยให้เป็นองค์ที่สองไปหาองค์ที่สององค์ที่สองก็รู้พระปวทิลวไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนเพราะว่าถ้าสอนเราก็คงจะไม่รู้เรื่องกันให้ข้าวันลดทิธิมานะลงไปเรื่อยๆองค์ที่สามไปไปหาองค์นั้นไป องที่สามองที่สี่องที่ห้าองที่หกจนถึงองค์ที่สามสิบไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายพอไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายเนนน้อยมันรู้จะโยนไปที่ไหนเ็นน้อยก็เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันก็ถามเนนท่านอาจารย์ส่งมาให้ผมมาศึกษากับท่านกับสมมเนนอเนอนพอที่จะแนะนําสอนผมได้ไหมที่จะเอาชําระกิเลส ตัดจิตตัดใจเนี่ยเนน้อยก็บอกว่าอาจารย์จะเชื่อผมหรือเปล่าน้อถ้าอาจารย์ไม่เชื่อผมเนี่ยผมก็สอนมันก็ไม่ได้อาจารย์ก็บอกได้เนนบอกอะไรผมจะเชื่อทั้งหมดผมจะฟังทั้งหมดถ้าเนนบอกอะไรผมจะฟังเพราะผมมอบกายถวายตัวแล้วเป็นลูกศิษย์เนนก็ครับถ้าอาจารย์ จะปฏิบัติถ้ยอมขนาดนั้นผมก็ยินดีที่จะแนะนำพระหันทัานก็นถอมตัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันถึงที่เป็นสมณเนจะใจเต็เถอะแต่ใจของท่านเป็นพระหันแปลว่าเป็นเทระล่ะท่านไม่ได้ว่าเป็นสัมณเนะใจของท่านเป็นมหาเทระเป็นผู้เหมือนกับไก่กระทอบเปลือกไข่ออกแล้วผลออกจากกิเลสเครื่องมุงบังแล้ว แต่ถ้าว่าผู้ที่ยังอยู่ในไข่อยู่จะจัดว่าเป็นเทระไม่ได้เพราะมันอยู่ในวัฏสงสารพร้อมที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเป็นอนันตการไม่มีใครรับรองรับประกันได้แต่สัมมนเนนั้นกระเทาะเปลือกไข่ออกแล้วเป็นไข่และเป็นพี่เป็นพี่พวกนี้ทั้งหมดส่วนโปรธิรัตน์เนี่ยยังยังอยู่ในไข่อยู่ยังอยู่ในเปลาะกไข่อยู่ แต่สัมมานีนะั้นอยู่นอกเปลาะไข่แล้วเป็นพี่แล้วไม่ใช่น้องแล้วถึงอายุพรรษาน้อยกว่าเธอแต่เป็นพี่เป็นพระเถระเป็นมหาเถระอีกต่างหากพาะไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นสัมมเนีก็ไป อ, อาจารย์ตามหลังผมไปพอไปเดินเดินเดินไปสัมมาณก็ทดลองอาจารยนะ์จะเชื่อเราจริงหรือเปล่า รถทิศไอ้ข่าวว่ารถทิฐิมานะอให้เห็นนะออาจารย์เดินเข้าป่าเลยสิอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังอะไรอาจารย์ก็เดินช่วมช่มครบที ป, ป่าเอออาจารย์ออกมาโอ้แสดงว่าเราบอกอะไรอาจารย์เชื่อทั้งหมดเนี่ยจำเรเน็พระหันไปก็ไปเห็นสระน้ําอีกอาจารย์ลงไปในสระน้ํำสิไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าลงไปเพื่ออะไรทําไม สมณเณรบอกให้หลงก็หลงฮ่ให้ขาว่าท่านบอ ก, กเราจะเชื่อทั้งหมดจำมณเณรพูดอะไรก็เดินลงไปอาจารย์อาจารย์าารยขึ้นมาพอผ้าจะเปียกแล้วพะขึ้นมาจมณเณรก็หาที่นั่งที่สบายหาที่นั่งาจำมณเณรก็นั่งท่านอาจารย์ก็นั่งจำมณเณรก็อาจารย์ให้สังเกตนะที่ผมจะเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังให้อาจารย์สังเกต ให้ฟังอาจารย์มีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีรูอยู่ห้ารูแล้วมีรูดักอยู่รูหนึ่งรูดักมนะรูหนึ่งแล้วก็มีรูห้ารูอาจารย์พอในจอมปลวกนั้นะมีอยู่ห้ารูนะอาจารย์และมีเฮียมีตัวเงินตัวทองอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนั้น่ะ มันออกหากินในทางของมันห้าห้ารูนั่นนะมันออกหากินแต่ละวีแต่ละวันอาจารย์พอจะเข้าใจนะที่ผมพูดแล้วมันมีรูดักอีกรูหนึ่งรู ล, ลึกที่อยู่ที่อยู่อาศัยของมันเพราะนั้นอาจารย์ปิดรูท่านต้ง5่าน เอาไว้รูเดียวรูดักขุดลงไปเลยตามรูนั้นะ่ะมันจะไปที่ไหนทุกรูมันจะมันจะดิ่งเข้าไปหารูดักทั้งหมดแต่เนี่เรามปิดรูทั้งหมดแล้วก็ขุดรูดักเข้าไปเลยแล้วก็ไปเจอจะจับเพียได้อาจารย์อาจารย์พอเข้าใจนะที่ผมพูดอาจารย์เข้าใจเข้าใจเข้าใจสมมาเรณเข้าใจเอือเอาถ้าเข้าใจกันนิมนต์ไปปฏิบัติ นี่แหละอันนี้คือสัมมเนนพูดเปรียบอุปมาอุปไมยให้ฟังท่านว่าจอมปลวกนั่นคืออะไรคือจอมปลวกคือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเหมือนจอมปลูกเหี้ยนั่นคืออะไรเหี้ยของเราคือใจใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจในความนึกคิดแต่ทีนี้เหี้ยตัว น, นั้นน่ะมันออกทางตามันออกไปทางตาเห็นรูป เกิดกิเลสราคะโทสะถ้าเห็นรูปสวยมันก็เกิดราคะถ้าเขาบี้ยวปากใส่แสดงอากับกิริยาไม่พอใจก็เกิดโทสะก็เห็นปล่อยเฮี้ยออกไปทางตาเฮี้ยตอนนั้นมันออกไปทางหูถ้าเห็นคนพูดเสียงเพราะๆก็เกิดราคะเกิดความกำหนัดยินดีถ้าเขาด่าเข้ามาทางหูเกิดโทสะ อนี่แหละเฮียตอนนั้นมันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลามันออกไปหากินทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายอย่างที่ว่ามันออกไปจากใจใจเป็นใหญ่มันออกไปจากใจมันออกไปทางตาทางหูทางจมูกนั่นแหละคือทางกินทางหากินของเฮียใหญ่ของตกลงตะกวดใหญ่หรือว่าของตัวเงินตัวทองมันออกไปหากินในห้ารูนั้น แต่ทีนี้เราปิดรูใช่ไหมจำเรียนว่าให้ปิดรูปิดรูปิดรูหาจินของมันคือเห็นตาเห็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหูได้ยินจักแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจักแต่ว่าได้ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการได้ยินทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายกับลักษณะนั้นจากนั้นก็ ค้นก็ไปหารูดักถึงก็ดูใจตัวเองพอคน้นค้นก็ไปหาลูดักมันกระใจของเรามันก็ไม่มีทางออกมันตุกิกตุกตกตุกกเออความคิดความปรุงของใจคิดไปในทางดีก็เป็นกุศลถ้าคิดไปทางชั่วก็เป็นอกุศลถ้าคิดไม่ไม่ทางดีไม่ทางชั่วเป็นกลางกลางเรียกอัิญญากรตาที่อัิญญาการ์ตน้อยมาก มันโดยมากกุศลแะอกุศลดำกับขาวดำกับขาวเป็นส่วนมากทีนี้ไ ใ, ใครเขาว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่ในจิตใจมีจุดมีต่อมผู้รู้นนั่นแหละคือตัวพบตัวชาติอยู่ในตัวนั้นอย่างที่หลวงตามหาบวัวถามว่ามีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดจุดนั่นแหละคือตัวพบพบชาติมันเกิดมาจากจุดนั้นนี่แหละ สรุปแล้วคือใจของเราเนี่ยมันกระดึกกรุกกระดิะดอยู่ตลอดไปลาำเวลาจากนั้นพระโปธิรัตท่านกับนั่งภาวนากําหนดดูใจของท่านเพราะพระพเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่พระคันตะกุดีท่านเห็นว่าเออโปธิลัตเนี่ยเข้าที่แหละท่านจะได้สําเร็จหลักวันไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็เพ่งก็แส่มามาเทศให้พระโปรดพระโ พ, ะโพะโธิรัตฝังพโพธิรัตท่านจงปล่อยวางท่านอย่าไปทึดยึดมั่นถือมั่นจากนั้นพระโพธิรัตท่านก็ดูตามที่พระพุทธองค์แนะนำท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์แตกสารปฏิสัมพิทายาณเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง ได้ทั้งปริยัติได้ทั้งปฏิบัติบัดนี้แปลว่าท่านเต็มบริบูรณ์ไม่ใบลานเปล่าลใบลานเต็มบมัดถ้าท่านได้ําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งฝ่ายปริยัติท่านกอพร้อมท่านจะแยกแยะตวงไหนพระพุทธเจ้าอบรมอย่างไรพระสงฆ์สาวกกแทนเทศ น, นาว่าการอย่างไรท่านเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมพร้อมที่จะแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนได้กว้างขวาง เหมือนก็องคหลวงตามหาบัวของเราเนี่ยท่านได้ทั้งปริยัติท่านได้เรียนเป็นมหาปเปรียญแปลเป็นภาษาบาลีแปลตัวไหนก็ได้จากนั้นท่านก็ลงมือปฏิบัติอีกท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลใจของท่านได้เป็นพระอาหารหันต์จบเป็นผู้เจนจบเป็นด็อกเตอร์จริงหัวด็อกเตอร์อด็อกเตอร์ยังเรียนแต่ใบอดอก ใบกิ่งก้านสาขาเท่าเด็กแต่ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียนถึงตัวนามธรรมตัวที่รู้รู้เนะ่เรื่องทั้งหลายออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ถ้าเรียนใจจบเรียนจบเรื่องของใจแล้วเป็น นในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่าเป็นพระอเสษขะผู้เรียนจบแล้วผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วองค์นั้นถ้าว่าเรายังไม่จบเรื่องของใจแล้วยังไปเรียนที่อื่นอยู่อย่างพระโพธิรัตนถึงจะจบพระไตรปิฎกท่านกล่ว่าเป็นใบลานเปล่าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องของใจในหลักของพุทธศาสนาเรื่องของใจในเป็นเรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้ายกประเด็นหลักเลย เป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงอยู่ที่ใจถ้าเราชำระใจของเราใจของเราไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจของเราเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นใจของเราปล่อยวางจิตใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางใจของเราเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆเป็นอีกระดับหนึ่งมิติหนึ่ง อากับกิริยาหนึ่งถอดถอนกิเลสกิเลสเครื่งองเศร้าหมองทางด้านจิตใจเหมือนกับแก้เสื้อออกนะใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอีกเป็นสวากาตธรรมเป็นอมตะธาตุอมตะธรรม อ, ตาาตอตรรมอตะแปลว่าไม่ตายอมตะธาตุอมตะธรรมเพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละทำคําคสอนของพระพุทธเจ้า ทันม่เน้นหนักไปจุดอื่นเจนเน้นอยากหนักลงเข้าสู่จิตใจเท่านั้นให้ใจของเรารู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่สมณเณรได้สอนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั้นเป็นทางหากินของเฮี้ยของตัวเงินตัวทองปิดมันซะเห็นแต่สักว่เห็นรู้แต่สักว่ารู้ทั้งกายทั้งวาจา ทั้งร่างกายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ความสำคัญในการได้เห็นได้ยินจากนั้นก็เน้เ น, นมหาใจตัวผู้รู้มนโนปูพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วไม่มาก นิดเดียวแต่ว่ามันควบคุมได้ยากแต่การควบคุมของใจนั้นทําอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่สมาธิไม่มีอย่างอื่นมีแต่สมาธิเท่านั้นจะควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ได้แต่ใจของเราไม่เป็นสมาธิใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจะพิจารณาอะไรจะไม่เห็นทั้งนั้นเหมือนกับคน เป็นบ้าแลือขาดสติใจให้สอนอะไรไม่เข้าใจทั้งหมดพวกเราเคยเห็นไหมพูดถึงตําไปหนึ่งพูดถึงไปเพไปคนละทิศคนละทางเพราะอะไรเพราะคนไม่มีสติคนขาดสติสติสัมปชัญญะเป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติของพวกเรายิ่งสติดีเท่าไหร่สัมปชัญญะรู้ยิิงเห็นจริงเท่าไหร่นั่นละ่ะทำสมาธิรม เกิดได้ง่ายในเมื่อสมาธิทําเกิดแล้วอจิตที่ผ่านการสงบมาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นปัญญาที่แท้จริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแตสักว่าเห็นได้ยินแต่สักว่าได้ยินมันจะอยู่ในกรอบตัวนี้ได้ทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะใจของเราเป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วบังคับอยู่มันอยู่ในคอนโทรลของเราเราจะให้ทําอะไรเราจะให้คิดอย่างไรเราจะให้ กำหนดดูตัวไหนมันจะอยู่ในตัวนั้นชัดเจน เ, เพราะอะไรเพราะจิตใจของเราเป็นสมาธิผ่านความสงบมาแล้วนี่แหละเรื่องความสงบเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกสําคัญอย่างที่ผมได้พูดสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญในภาคปฏิบัติเบื้องต้น จนถึงเดินเข้าไปสู่มรรคสู่ผลรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราก็คืออะไรพวกเราใ ห, ให้ให้ความสำคัญแต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราเห็นเรารู้ยศถาบรรดาศักดหลาบยศเจริญเสริญความสุขความทุกข์ในร่างกายเราให้ความสำคัญจุดนี้ แต่หลักของพุทธศาสน า, าทำไมท่านให้ความท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจอย่างที่สมมเนธท่านให้ความสําคัญตัวเงินตัวทองทางออกหากินของเฮียใหญ่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายท่านไม่ให้ความสําคัญนั้นี้เป็นทางหากินของเฮียใหญ่แต่ตัวเฮียใหญ่ตัวการมันจริงจริะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจัวน รู้สึกนึกคิดนั่นตัวนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญพระหันธาวกให้ความสำคัญถ้าใจตรงนั้นเฉลียวฉลาดรอบรู้แล้วไม่ลุ่มหลงไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงมแล้วใจของนั้นจะโดดเด่นจิตใจบริสุทธิ์รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นรู้แจ้งสว่างสวายยิ่งกว่าใจ ออกจากกิเลสไม่มีเมฆหมอกปิดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใจค้นโกกนั้นเจิดจ้าอยู่ตลอดนั่นแหละใจบริสุทธิ์จากนั้นว่าใจดวงนี้แหละที่ว่าใจไม่มีกิเลสใจบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีเครื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวฟ้องเกี่ยวข้องปิดบัง เป็นอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบพร ม, มาจันย์จบพร ม, มาจันย์แต่ถ้าหากว่าเรียนของเรื่องของใจยังไม่จบท่านจะว่าจบพร ม, มจัรย์ไม่ได้ยังเป็นยังเป็นพระอาเสขายังเป็นยังเป็นพระเสขาเสขะผู้ยังต้องศึกษาต่อไปหาทางพ้นทุกตะเกียร์ตะกายกระเสือกกระสน มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังจับผิดจับผูกดูอย่างนั้นแปลว่าพระเสขะยังต้องศึกษาหาทางอยู่ตะเกียดตะกายหาทางพ้นพวกอยู่ตั้งแต่พระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคารยังเป็นพระเสขะอยู่มีพระอาเสขาจำพวกเดียวคือพระอรหันต์ก็คือ พระอารหันต์ท่าน่ะเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจะเป็นพระโสดาจะเป็นพระอารหันตุขวิปัสสโกติวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปปโตจะเป็นพาาระอรหันต์องค์ไหนก็ได้สี่จำพวกนี้คือถ้าว่าเป็นพระอารหันต์แล้วแปลว่าเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาแปลว่าจบแล้วจบพรมมะจันแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทำมัตทำค า, า, า, าสอนของพระพทุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี้ ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางยกให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธศาสนานะี่ท่านเน้นหนักจุดไหนตรงไหนอย่างไรในอย่างสมณีสอนพระโพธิลัตนี่ละ่ะเห็นชัดเจนท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจท่านเปรียบเทียบให้เห็นเอกว่าใจนั้นคืออะไรคือตัวเหี้ยทางหากินของเหี้ยใหญนะ่นัึกไปทางไหน เพราะนั้นพวกเราอยา่ารุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปต้องศึกษานะจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราเป็นพระอริยะบุคคลต่อไปการพูดกันแน่แนวในวันนี้ก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลาขอจุติและก็พร้อมกันขอให้พระลูกพระหลานได้มาศึกษาในคราวนี้ครั้งนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติในะลูกหลานทุกอง ให้เป็นหมอที่ดีสรุปแล้วให้เป็นหมอที่ดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหลวงพ่อเองจะมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านเองไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้คิดอะไรกับลูกหลานที่มาเข้ามาศึกษามีแต่ให้แนวความคิดลูกหลานนําแนวความคิดของหลักพระพุทธศาสนานําไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นสมบัติของหูกของหลานจะมีความสุขตลอด นานเท่านานเมื่อเท่าแก่ชลามาพวกเราได้ภาวนาได้ปฏิบัติได้นับได้นำหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วใจของเราจะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจมั่นคงเชื่อมั่นในตนเองจะหาความทุกข์ไม่ได้ใจที่มีหลักมีเหตุมีเหตุมีผลแล้วใจพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแล้ว ตอนนี้ไปนั่งสมาธนะินัตถีนะ